ก่ที่จะจบเรื่องนี้ลงก็เห็นจะต้องกล่าวถึงพระเจ้าสีปอพระนางสุภยรัตและพระนางอะเลนันดอเป็นครั้งสุดท้ายคือทางอังกฤษได้ในประเทศ พ, พระเจ้าสีปอและพระนางทั้งสองนั้นไปประทับอยู่ในเมืองรัตนคีรีอันเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลแถวเมืองบอมเบ้ และจัดที่ประทับให้อยู่อย่างเล็กๆพอสมพระเกียรติในฐานะเฉลยราษพระเจ้าศรีป่อต้องประทับอยู่ณที่นั้นท่ามกลางชนซึ่งแตกต่างในทางเชื้อชาติและศาสนามิได้มีความเคารพผูกพันเป็นเวลาถึงส0สปีเต็มส่วนพระนางอะเลนันดอนนั้น ปรากฏว่าไปประทับอยู่ได้ระยะเวลานึงก็เกิดเรื่องทะเลาะเบาแวงกับพระนางสุภยรัตน์พระราชธิดาถึงกับทรงตัดขาดไม่ขอประทับอยู่ร่วมด้วยและได้ขออนุญาตทางราชการอังกฤษสเสด็จกลับพมา่าอังกฤษก็อนุญาตให้สเสด็จกลับมาประทับอยู่ณเมืองย่างกุ้งแล้วพระนางสเสด็จกลับมาได้ไม่นานก็ที่วงคต หมายถึงพระนางอเลนันดอส่วนพระเจ้าสีปอสเสด็จสวรรคตที่เมืองรัตนคีรีในปีพุทธศักราช2459สงครามโรคครั้งที่หนึ่งเกิดได้แล้วสองปีอันนี้ตรงกับสมัยรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ งานพระบรมศพพระเจ้าศรีป่อนั้นเป็นไปอย่างเงียบเชียบอังกฤษมิได้อนุญาตให้มีพระราชอิสริยยศใ ด, ดๆที่น่าสังเวชที่สุดก็คือมิได้มีการบำเพ็ญพระรากุศลในทางพระพุทธศาสนาเลยจนชั้นแต่พระภิกษุจะสะดับประกรพระบรมศพก็หาไม่ดได้พระนางสุ พยรัทนั้นเมื่อพระเจ้าสีปอดสวรรคตได้แล้วไม่นานอังกฤษก็นุญาตให้เสด็จกลับพม่าได้และปลูกตำมหักให้ประทับอยุดเชิงพระเกตทาตสวยตะขึงหรือชเวดากองที่เมืองย่างกุง้งอังกฤษได้จ่ายเงินถวายให้เดือนละสองพันรูปีเพื่อเลี้ยงพระชนทีซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ ห่างไกลกับเงินที่เคยทรงใช้สอยอยู่เมื่อครั้งประทับอยู่ที่กรุงมันดาเลย์อย่างไม่มีทางที่จะพูดได้เลยว่าห่างกันอย่างไรแต่เงินจํานวนนั้นก็ยังอานวยให้ทรงจ้างมหาดเล็ก ข, ข่าหลวงมาใช้สอยได้พอสมกับฐานนะมีเรื่องเล่ากันว่ามหาดเล็ก ข, ข่าหลวงทั้นปวงนั้นอยู่ได้ไม่นานก็ทูลนลาออก เพราะพระนางสุพยรัตน์ทรงเคร่งในประเพณีหมอบคลานและระเบียบต่างๆและไม่ได้ทรงละพระอารมณ์อันดุร้ายกริ้วกราดอยู่เสมอเป็นเหตุให้ต้องหาคนไปเป็นมหาฤขคาหรหลวงอยู่ใหม่มิได้ขาดพระนางสุพยรัตน์มาสวรรค์เอาในตอนต้นรัชการที่เจ็แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวเมืองอย่างกุ่งกดเชิญพระบรมศพไปถวายพระเพลิงอย่างพระบรมศพพระราชินีแห่งตนตามมีตามเกิดเท่าที่คนไร้เอกราชจะพึงกระทำได้ เคารพท่านหนึ่งได้มีหนังสือมาถึงผู้เขียนบอกว่าเรื่องพมา่าตอนเสียเมืองแกงกฤษที่ผู้เขียนได้เขียนลงไปลงพิมพ์ไปแล้วก็จบไปเมื่อ28มิถุนายน2511นั้นยังไม่น่าจะจบโดยท่านผู้นั้นจะส่งบทความจากนิตยสารต่างประเทศมาให้ผู้เขียนเรื่องหนึ่งมีรายละเอียด ที่เกี่ยวกับพระเจ้าสีปอพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของพมา่าในระยะเวลาที่อังกฤษได้ส่งพรงไปกัดไวนะเมืองรัตนคีรีในประเทศอินเดียบทความนั้นนักเขียนชาวอินเดียใช้นามวัดสวัสตติเป็นผู้เขียนผู้เขียนเห็นว่าเรื่องราวน่าสนใจอยู่จึงขอถ่ายทอดนำลงไว้ดังต่อไปนี้ หลังจากที่อังกฤษได้กุมพระองค์พระเจ้าสีป่อและพระนางสุภจรัสพระมเมศศรีส่งออกจากพมา่าไปยังอินเดียแล้วพระเจ้าสีป่อและพระมเมศศีตลอดจนข้าราชบริพารจํานวนมากก็ได้พำนักอยู่ที่เมืองมัททรัตเป็นเวลาสองสาเดือนแล้วอังกฤษจึงส่งเสด็จต่อไปอยังเมืองรัตนคีรีเมื่อเสียเมืองแก่งกลิศนั้นพระเจ้าสีป่อได้กลัดว่าก่อนจะสเสด็จจากเมือง ได้ทรงมอบเครื่องเพชรทองอันเป็นเครื่องต้นราชูประโภคไว้แก่ผู้บัญชาการทหารอังกฤษเพื่อความปลอดภยัยแต่แล้วก็มิได้คืนเลยเครื่องราชูประโภคและเครื่องต้นเหล่านั้นมีค่านับเป็นล้านล้านรูปีในบัญชีนั้นปรากฏว่ามีสร้อยประสอเพชรยี่สิชุดพระสงวานเพชร ส0บชุดและทับทิมเม็ดใหญ่อันหาค่ามิได้ชื่องาหมอกทรัพย์สินเหล่านี้ปรากฏภายหลังวาัานอังกฤษที่เขายึดเมืองได้นั้นก็หยิบฉวยเอาไปเป็นส่วนตัวเซมากที่เหลือก็ส่งต่อไปยังคณะกรรมการรางวัลของกองทัพบบอังกฤษกรมเครื่องต้นแห่งประเทศอังกฤษและส่งไปยังพิพิธภัณฑ์ต่างในอังกฤษ แต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าสีป่อและพระมเหสีก็ยังได้ทรงนำทรัพย์สมบัติอมีค่าติดโปรงออกมาได้เป็นจำนวนมากว่ากันว่ามีราคาถึงเจดแสนรูปีเมื่อเสด็จออกจากพม่านั้นพระนางสุภยรัตทรงพระคันแก่และได้ประสูติพระชธิดาที่เมืองมัตราบเมื่อประสูติแล้วก็มีการสมโพธิขึ้นพระอูตามราชประเพณี ในการนั้นพระเจ้าสีปอได้โปรดให้สร้างถาดทองคำขึ้นสงพระราชธิดาถาดนั้นวัดได้สามสามฟุตโดยรอบฝังทับถิมลวนพระเจ้าสีปอพร้อมด้วยพระเมษสีและพระราชธิดาและพระเจริภานเสด็จถึงเมรัตนกีรีเมื่อวันที่16เมษายนสายพนตร้อ ทางราชการอังกฤษได้จัดบ้านหลังใหญ่สองหลังให้เป็นที่ประทับต่อมาเห็นว่าบ้านนั้นไม่สมพระราชอิสริยยศจึงได้สร้างพระที่นั่งขึ้นถวายเมื่อปีพุทธศักราช2453เป็นตึกสองชั้นมีห้องที่ประทับและห้องอื่นๆ15ห้องมีท้องพระโรงมีเรือนขราชบริพารอยู่ได้60คน สิ้นเงินไปแสนสองหม่พันรู ป, ปีขนาดนั้นปรากฏคนในขบวนพระเจ้าสีปอดทั้งสิ้นที่ว่ามีน้อยมีน้อยนะ่ะแต่ก็เป็นจำนวนถึงหนึ่งหสเอดคนต่างก็อยู่กันในเมืองรัตนคีรีนั้นและพระเจ้าสีป่อก็ทรงมีพระราชภาระที่จะต้องจ่ายพระาพราชทรัพย์เลี้ยงดูคนเหล่านี้ตลอดไปนับว่าเป็นภาระที่หนักและสิ้นเปืนพระราชทรัพย์มาก ความเป็นอยู่ในราชสมัากนั้นก็ม่ได้เปลี่ยนแปลงไปกว่าเมื่อครั้งยังอยู่ในพมา่าคือว่ายังคงหรูหราฟุ่มเฟือยอยู่เช่นเดิมเมื่อมีท้องพระโรงก็สเสด็จออกให้ข้าราชการเฝ้าคนในราชสมัากก็ยังหมอบครานเฝ้าแห่เหมือนแต่ก่อนพระนางสุภยรัตน์ก็ทรงรักษาประเพณีเดิมโดยเคร่งครัดเวลาพระเจ้าสีปอ ตื่นพระบัรฑมในตอนเช้าทุกวันพระนางสุภยรัตก็จะทรงคลานกับไปเฝ้ามอบกราบถวายบังคมและก็ตัางพานเครื่องพระสุคชนความเป็นอยู่อย่างเดิมนั้นหมดเปลืองมากเป็นเหตุให้พระเจ้าสีปอต้องทรงจำนำพระเจ้ทรัพย์ของมีค่าต่างๆเพื่อนำเงินมาจ่ายภายในระยะสิ้นปีแรก ที่ประทับอยู่เมืองรัตนคีรีนั้นต้องทรงตกเป็นเหยื่อของพวกรับจำนำของหาดอกเบีย้ยและพระาะจะรัพย์ที่จำนำนั้นหลุดไปเป็นของคนพวกนี้เป็นอย่างมากและอย่างเสียเปรียบเพชรเม็ดใหญ่เม็ดหนึ่งมีค่าสองแสนรูปีต้องหลุดจำนำตกไปเป็นของเจ้าหนี้ด้วยเงินเพียงสี่หมื่นรูปีเท่านั้น รัฐบาลอังกฤษในอินเดียได้ถวายเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายปีละ 46,794 รูปีแต่ก็ปรากฏว่าไม่พอพระเจ้าสีป่อต้องทรงจำนำพระเจ้ทรัพย์และกู้เงินมาใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดรัฐบาลอังกฤษในอินเดียต้องออกกฎหมาย บ, าบังคับมิให้พระเจ้าสีป่อทรงกระทานิติกรรมใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันมีให้สัญญากู้เงินและสัญญาจำนำมีผลผูกมัดถึงพระองค์และมิให้พวกเจ้าหนี้เอารัดเอาเปรียบขูดรีดพระองค์ได้อังกฤษได้ตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อจัดการทรัพย์สินของพระเจ้าศีปอดและเมื่อพระเจ้าศรีปอดสวรรคตในปี2459กรรมการคณะ น, นี้มีพระเจ้ทรัพย์ เหลืออยู่เพื่อมอบให้แก่ทายาทได้เป็นจานวน3ามหมพรูปีพระเจ้าสีปอประทับอยู่ที่เมืองรัตนกิรีถึงสาสบปีมิได้ทรงทํอะไรเป็นแก่สารปฏิบัติพระองค์ตามราชประเพณีที่ไร้ความหมายเสียแล้วที่เห็นเป็นบาปกรรมที่สุดก็คือที่เมืองรัตนกีรีเป็นเมืองที่ไม่มีพระพุทธศาสนา แม้จะบำเพ็ญพระเจ้ากุศลทรงทรรมก็ไม่มีทางที่จะทำได้วันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้แต่ทรงเขียนพระราชสารถึงรัฐบาลอังกฤษขอร้องให้ช่วยเหลือในกรณีต่างๆเมื่อครั้งพระเจ้ายอดที่หแห่งอังกฤษสเสด็จอินเดียในปีพุทธศักราช2454คือก่อนพระเจ้าสีปอสวรคต พระเจ้าสีปอก็ท่งพยายามจะไปเฝ้าถึงพระองค์แต่ทางราชการอังกฤษก็ไม่อนุญาตพระเจ้าสีปอมีพระชัิดาสี่พระองค์ไม่มีพระเจ้ารถพระชัิดาองค์ใหญ่ตกเป็นพรรยาลับๆของชาวอินเดียคนหนึ่งและพระชัติดาองค์เล็กหนีตามมหาดเล็กซึ่งเป็นชาวพม่าไป พระเจ้าสีปอดสวรรคตเมื่อปี 2,459 คือ30ปีหลังจากที่เดชเสด็จไปประทับณเมืองรัตนกิรีพระประยุรยาตแสดงความจำงจะเชิญพระบรมศพกลับไปยังพมา่าแต่รัฐบาลกรีกก็ไม่อนุญาตสวรรคตแล้วถึง3ปีคือมาถึงปี 2,463 จึงได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมศพไว้ที่เมืองรัตนคีรีและเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นขุนหลวงหาวัดแห่งกรุงศรีอยุธยาสวรรคตคในพม่า เพราะพม่ากุมพระองค์ไปพระบรมอัฐิก็ยังบรรจุไว้ในพระสถูปที่สร้างไว้ในพมา่าส่วนพระนางสุพยรัตน์นั้นเสด็จกลับพม่าพร้อมด้วยพระชธิดาและมาประทับอยู่ที่เมืองย่างกุ้งสวรรคตในปี พุทธศักราช 2,468 ประวัติของพมา่าเมื่อเสียเมืองแก่อังกฤษก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ ที่เคารพครับก็จบพม่าเสียเมืองเรารู้เรื่องของเมืองพมา่าและพร้อมกันนั้นเราก็มีโอกาสได้รู้เรื่องของเมืองเราด้วยตามสมควรที่เดียวผมได้ตั้งใจไว้ว่าจะนำเอาผลงานของอ หมอมประชุมคึกริปราโมทท่านมื่อออกอากาศกันเพราะว่ามีอยู่เท่าที่ทราบเนี่ยมีอยู่ร้ายเร่มยุคนะครับก็เอ้าเราเริ่มด้วยสุสีไทยเฮาหรือถ้าจะว่าให้คือตั้งชื่อให้ครองให้จองให้ไกลเคียงกันจะตั้งชื่อว่าจีนเสียปักกินก็ได้นะเมื่อตอนนี้พม่าเสียเมือง อังวะมันดเดรรัตนบุระอังวะอะไรก็หวากันไปเสียกันไปหมดเออมีท่านผู้หนึ่งแนะนําให้ผมพยายามหรือว่าเขียนเองก็ได้ว่างงั้นหรือพูดเองเลยก็ได้ให้เอาเรื่องไทยเสียกรุงศรีอยุธยามาออกอากาศกันให้เจ็บปวดบ้างผมบอกทําไม่ได้หรอกนะครับให้ผมอยู่ทํารายการไปนานๆดีกว่า นะครับก็ก็เป็นปกติของเราอย่างหนึ่งแผลของเราเนี่ยเรามักจะรักษากันไว้อย่างนั้นแหละไม่ยอมให้ใครมาแกะมาแคะหรอกนะครับใครไปแกะไปแค่เขานี่ไม่ได้โกรธกันนักแต่มนี่ฟังฟังดูกับฟังเอานึกกันเอาคิดกันเอานะครับทีนี้พรุ่งนี้สิ เราเจาเรื่องอะไรมาเสนอต่ท่านผู้ฟังดีก็เตรียมไว้แล้วครับง่ายง่ายแล้วก็สนุกสนุกดีด้วยถึงจะเคยฟังแล้วเคยอ่านแล้วก็ตามเธอแต่เรามาฟังกันอีกแบบหนึ่งในแบบนี้ที่แบบที่ผมอ่านแล้วท่านก็นั่งฟังท่านนั่งฟังนี่ท่านอาจจะนั่งลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้แล้วก็จะนึกวาดมโนภาพเอาเองให้มันสวยสดงดงามอย่างไรก็ได้ัยแดงครับ ภายแดงของหม่อมประยุง์คึกฤทธิ์ปรามโมดและก็จะติดตามด้วยหลายชีวิตเอาเท่าที่เราจะพอค้นมาพ อ, พอหาเอามาเสนอกันได้นะครับเอาวันนี้ยังไรกดตามเะกดกจบไปแล้วก็จบพบกันใหม่รุ่งนี้โดยการจจดเสนอของไม่ควรเอาความชั่วของเพื่อนกัน ไปตีแผ่ให้ผู้อื่นรู้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเราพบกันเป็นประจำทุกวันในรายการวรรณกรรมทางอากาศจาก01บางซื่อ กาทางอากาศจากศูนย์หนึ่งบางซื่อในตอนนี้กระผมพูดจัดเล็กตั้งใจว่าเจ้าผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านมาเสนอตัวท่านผู้ฟังให้มากเท่าที่จะมากได้เท่าที่จะหาได้เราก็ได้นำเสนอไปแล้ว อันมีสุสีไทยเห่าพมา่าเสียเมืองและนับบัตรนี้เราก็จะนำเอาภัยแดงซึ่งเป็นงานเขียนของนักคิดที่มีผู้นิยมมากที่สุดพิมพ์เป็นภาษาไทยแปดครั้ง แปลเป็นภาษาต่างประเทศมาแล้วถึงสิบสามครั้งเราจะนำเอาไพ่แดงมาเสนอต่อท่านผู้ฟังณนะบัดนี้ครับเราจะเริ่มจากคำนำ ฉบับพิมพ์ครั้งที่8ดนะครับหนังสือเรื่องภไยแดงเรื่มนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่8ดหนังสืออะไรก็ตามที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านถึงกับต้องพิมพ์ถึง8ดครั้งผู้เขียนหนังสือเรื่มนั้นก็ควรจะภูมิใจได้ไม่มากก็ น, น้อย ว่าได้เขียนหนังสือถูกใจผู้อ่านเข้าแล้วสำหรับตัวผู้เขียนเองนั้นออกจะภูมิใจามากถ้าจะว่ากันตามจริงสมภารกล่างก็ยังหลับไม่ตื่นอยู่นั่นเองถ้าท่านผู้อ่านที่สนใจจะถามว่าทำไมถึงยังไม่ตื่นผู้เขียนก็ได้แตะตอบอ้อม อ, อ, อมแอมแอมว่าเพราะผู้เขียนเอง ยังไม่มีเวลาปลุกท่านนั่นเหตุหนึ่งและสมภากรกลางก็ยังไม่มีเหตุที่จะต้องตื่นในระยะนี้อีกเหตุหนึ่งแต่เหตุที่สองนี้ออกจะเป็นเหตุขอไปทีเพราะถ้าจะปลุกกันให้ตื่นจริงๆก็คงปลุกได้เหตุที่หนึ่งจึงเป็นเหตุที่แท้จริงกว่าคือผู้เขียนยังไม่มีเวลาจะปลุก ยังไรก็ตามระหว่างที่สมพานกลางยังไม่ตื่นนี้หากท่านผู้ใด ย, ยังไม่รู้จักสมพานกลางก็ขอให้หาความคุ้นเคยจากเรื่องายแดงฉบับพิมพ์ครั้งที่8ปซึ่งสมัติพิมพ์ก้าหน้าได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งนี้ก่อนและผู้เขียนหวังว่าในการทำความรู้จักกับสมพานกลางนี้ ท่านผู้อ่านจะได้รับความพอใจบ้างไม่มากก็ น, น้อยนอกจากจะมีความภูมิใจดังที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นผู้เขียนก็เกิดมีความร้อนใจขึ้นมาพร้อมๆกันในเรื่องที่สมพานกลางนอนไม่รู้จักตื่นเพราะเมื่อมีคนรู้จักสมพานกลางมากขึ้นด้วยการพิมพ์หนังสือเรื่องภายแดงขึ้นหลายครั้ง คนที่อยากให้สมภารกลางตื่นขึ้นก็คงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเหมือนกันผู้เขียนเองก็อยากให้ถูกความประสงค์ของท่านราวนั้นในระยะนี้ก็ได้แต่ขอบคุณท่านผู้อ่านทั้งหลายที่ได้กรุณาให้ความสนใจไว้ก่อนและขอขอบคุณสมัครพิมพ์ก้าวหน้าที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง ลงชื่อคึกฤทธิ์ปราโมททีนี้สําหรับกระผมเองนะครับผู้อ่านล่ะรายการนี้ก็ได้นำเอาไพ่แดงมาเสนอท่านผู้ฟังถึงสี่ครั้งด้วยกันม า, าถึงสามครั้งด้วยกันมาแล้ว ครั้งที่หนึ่งเริ่มเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช 2,513 สองปีต่อมาเริ่มเมื่อ12พฤษภาคม 2,515 สองปีต่อมาเริ่มเมื่อ24มกราคม 2,517 บัดนี้ซ้ำเป็นครั้งที่4ีในรายการนี้ด้วยมีท่านขอร้องกันมาว่าเอาภายแดงมาอ่านฟังกันให้สนุกอีกสักทีหนึ่งเถอะเราก็เริ่มภายแดงเป็นครั้งที่4ี่ในวรรณกรรมทางอากาศจากสถานีวิทยุธางอากาศศูนย์หนึ่งบางซื่อแห่งนี้วันนี้คือวันที่8 พฤษภาคมพุทธศักราช2528ตรงกับวันแรมห้าค่ำเดือนหกครับเราจะเริ่ม่า่แดงเป็นเรื่องเป็นราวกันนะบัตรนี้ ด้วยการน้อมนำความคิดของท่านให้ตามเสียงเพลงที่เราได้พยายามหามาให้ท่านฟังกันก่อนอีกสักนิดหนึ่งครับท่านเริ่มปนดังนี้ ถ้าหากว่าจะมีเทวดาตนใดหะเหินเดินอากาศจากกรุงเทพขึ้นไปทางเหนือของพระมหานครนั้นประมาณสัก80หรือ90กิโลเมตรด้วยระยะทางที่เทวดาหะเทวดาตนนั้นจะมองเห็นครองเล็กๆรึ่ง แยกออกจากแม่น้ำเจ้าพยาแล้วเลื้อยคลานเข้าไปอย่างรดเรยวถ้าหากว่าเทวดาตนนั้นจะห อ, อกตามลําคลองนั้นเข้าไปโดยไม่เบือนายต่อภูมิประเทศที่ไม่มีอะไรจะดูเกินไปกว่าไรนาและควายในไม่ช้าเทวดาตนนั้นก็จะมาถึงหมู่บ้านเล็กๆหมู่หนึง่ง มีบ้านคนไม่กี่สิบรังคาเรือนร็กมีจำนวนคนอยู่ไม่กี่ร้อยคนกลางหมู่บ้านนั้นมีวัดซึ่งเป็นวัดที่แสดงฐานะเศรษฐกิจของหมู่บ้านนั้นเองให้เห็นได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่ไม่รุ่งเรืองกะไรนักรังคาบ้านของชาวบ้านเหล่านั้นมุงด้วยจากเป็นส่วนมาก มีหลังคากระเบื้องดินเผาและสังกะสีอยู่ก็ไม่กี่หลังส่วนโบสถ์ของวัดส่วนโบสถ์ของวัดนั้นหลังคาโบสถ์ก็มุงด้วยกระเบื้องดินเผาธรรมดามีศาลาการประเรียนขนาดย่อม รังคามุงด้วยสังกสีอีกหลังหนึ่งและกุฏิพระสองหลังมุงจากแกมสังกสีด้วยหอระฆังที่โซเซน่ากลัวหอหนึ่งและมีสาราท่าน้ำของวัดปลูกอยู่ริมคลองอีกหลังหนึ่งควายจับกลุ่มกินหญ้า ก, กันอยู่กลุ่มละสามสี่ตัว ตามทุ่งนารอบรอบหมู่บ้านนั้นเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่จะแลเห็นได้จากเบื้องสูงและบอกให้รู้ว่าในหมู่บ้านนั้นมีคนอยู่และเมื่อคนในหมู่บ้านนั้นเป็นคนก็ย่อมจะต้องมีความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆของคนในโลกเมื่อหมู่บ้านนั้นตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลาจากคนอื่นๆในโลก คนในหมู่บ้านนั้นก็จะต้องมีความสัมพันธ์กันประดุดว่าหมู่บ้านนั้นเป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นจะต้องมีความสำคัญสำหรับบุคคลแต่ละคนเท่ากับเหตุการณ์ของโลกไม่ว่าเหตุการณ์นั้นๆจะเล็กน้อยยุ่มยิม้มเพียงใดหมู่บ้านนั้น มีชื่อเรียกกันว่าไัยแดงและไัยแดงจะมีประวัติสืบเนื่องมายอย่างไรก็ไม่มีใครทราบบรรดากอภัยที่ขึ้นอยู่รอบๆหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่รอบๆ บ, บ้านนั้นก็ดีหรือที่ขึ้นอยู่ที่ชายทุ่งก็ดีหรือแม้ที่ขึ้นอยู่บนโคกท้ายวัดก็ดี ก็ลวนแล้วแต่เป็นกอไผ่ธรรมดาธรรมดามีใบและลำต้นเป็นสีเขียวถึงแม้ว่าจะมีไม้สีสุก ข, ขึ้นปนอยู่บ้างประปรายผิวของไม้นั้นก็เป็นแต่แค่เพียงสีเหลืองไม่ปรากฏว่ามีสีแดงหรือเคยมีสีแดงแต่ประการใดแต่บางทีชื่อของหมู่บ้าน ที่มีอยู่ว่าไยแดงนั่นเองอาจจะมีอิทธิพลเหนือการกระทำของบุคคลบางคนที่ยึดถือหมู่บ้านนั้นเป็นที่ทำมาหากินหรือบำเพ็ญพรตหรือถ้าหากจะพูดกันกว้า ง, ก, างก็จะต้องเรียกว่าเป็นที่แสดงออกซึ่งตัวเองชื่อไยแดงจึงเป็นชื่อที่สำคัญเพราะเป็นทั้งเหตุชักจูงใจให เกิดเรื่องที่จะเล่าและเป็นทั้งสถานที่เกิดเหตุของเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ กันที่ความลับความลับของสมพานวัดไผ่แดงสมพานกลางเจ้าวัดไผ่แดงนั่งทอดอารมณ์อยู่ที่ศาลาท่าน้ำหน้าวัดเวลานั้น เป็นเวลาตอนบ่ายวันหนึ่งในระหว่างออกพรรษาแล้วพระที่วัดไผ่แดงซึ่งเคยมีอยู่หลายองค์ในระหว่างเข้าพรรษาก็ได้พากันศึกไปแล้วสิน้นคงเหลือแต่อรุงตารุมซึ่งบวชมาแล้วนานตั้งแต่สมภารยังเป็นสิทวัดและเดี๋ยวนี้ท่านกทชาราภาพมากแล้ว องหนึ่งละกับเนนอีกสามองนอกนั้นก็มีลูกสิบวัดซึ่งก็จะมีจำนวนมากบ้างน้อยบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปและหมาวัดอีกจำนวนเท่าไหร่สมพานก็ไม่ได้จดจำบัดนี้รวมทั้งชีวิตไก่วัดและนก ที่มาอาศัยวัดตลอดจนปลาที่หนีคนมาอยู่หน้าวัดเป็นชีวิตที่แวดล้อมสมพานกลางอยู่เป็นประจำวันสมพานกลางเป็นคนอายุราวๆ3า3 8ปีอายุพรรษานับได้18พรรษาพอดีเพิ่งได้เป็นสมพานเมื่อสองปีที่แล้วมันเนี่ย หลังจากที่ท่านสมภารเก่าได้มรณภาพไปพระกลางมีรูปร่างกำยำร่ำสันเหมือนกับชายชกรันอื่นๆในระแวกบ้านนั้นและเมื่อก่อนอายุจะครบบวชก็ได้เคยทำไร้ไถนาอันเป็นสัมมาอาชีพและก็ได้เคยทำบาปกรรมต่างๆมาไม่น้อยกว่าคนหนุ่มอื่นๆในระแวกบ้านเดียวกัน แต่เมื่อพระกร่างได้เข้ามาบวชเรียนตามประเพณีอะไรบางอย่างในวัดได้ทำให้ผ้าเหลืองเกาะตัวอยู่อย่างเหนียวแน่นเลื่องไม่ออกพระกร่างก็อยู่ในเพศบรรพชิตเรื่อยมาได้เรียนนักธรรมจนสอบได้นักธรมกรมตรีแต่แล้วก็เรื่อเรื่อไปจะสอบนักธรรมโท กดูยังติดขัดอยู่พอดีสมภารองกาวมรณะภาพพระกลางก็ได้เป็นสมภารอาศัยที่วัดภผ่แดงนั่นเล็กอยู่ห่างไกลและไม่มีใครสนใจและเนื่องด้วยพระกลางเป็นคนเกิดที่ละแวกบ้านภผ่แดงหายจากบ้านนั้นไปก็เฉพาะเมื่อวันเป็นนาไปบวชที่วัดปากครอง เพราะท่านสมพานที่นั่นเป็นอุปชาและเมื่อตอนไปสอบนักธรรมชาวบ้านภายแดงก็ไม่ได้มีใครรังเกียจเมื่อพระกลางกลายเป็นสมพานกลางชาวบ้านก็คงให้ความเคารพนับถือและเชื่อฟังต่อไปเช่นเดียวกับที่เคยให้แก่สมพานองค์เก่า สมผานก่างนั่งอยู่ที่สาราท่าน้ำแล้วก็ปล่อยใจให้นึกถึงเรื่องเก่าๆพระที่เคยบวชอยู่ที่วัดแล้วสึกไปนั้นที่ออกไปทำมาหากินแล้วเป็นคนดีกว่าเมื่อก่อนบวชก็มีอยู่มากแต่เมื่อสึกไปแล้วกลายเป็นคนชั่วคนเสทเพ ก็มีอยู่ไม่น้อยสมพานกลางถอนใจใหญ่เมื่อ น, นึกถึงกรรมเวรของมนุษย์คนที่บวชเรียนมาด้วยกันแต่แล้วก็กลับชั่วบ้างดีบ้างเพราะกรรมชักนำไปบางทีมองดูแล้วก็เกิดสังเวกและทำให้สงสัยว่าจะบวชเรียนหาอะไรกัน พระกลางรู้ว่าตัวเองนั้นบวชเพราะแม่ขอให้บวชแต่เมื่อบวชแล้วก็ยังไม่ทันออกพรรษาโยมก็ตายลงก่อนจะสิ้นใจสายตาของโยมผิดจับอยู่ที่ผ้าเหลืองของลูกอาจสมพานกลางนึกถึงเรื่องจะศึกครั้งใด ก็แลเห็นลูกตาคู่นั้นนะ่ะก็ทำให้เลิกล้มความคิดที่จะศึกทุกครั้งปัดสมพานกลางมองไปตามลำคลองเห็นใครคนหนึ่งพายเรือตรงมาที่วัดพอใกล้เข้ามาเห็นได้ถนัดก็รู้ว่าคนอยู่ในเรือนั้นไม่ใช่ใครอื่นคือกำมันเจอม กำมันของตำบล น, นี่เป็นผู้มีอายุหกสิบเศษแล้วเรเป็นที่รู้จักของสมพานกลางมานานตั้งแต่สมพานยังเด็กๆอณาจักรอาณาจักรสมพานกลางรำพึงอยู่ในใจตั้งแต่บวชมาสมพานกลางได้แบ่งบุคคลออกเป็นสองชนิดเสมอ คนที่เป็นข้าราชการหรือเกี่ยวข้องกับภาราชการเช่นกำมันเจิมเนี่ยสมภารก็รวมเข้าไว้เป็นประเภทอนณาจักรส่วนพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนคนอาศัยวัดสมภารก็รวมเข้าไว้เป็นประเภทพุทธจักรเพื่อมีให้ปะปนกันวิธีแบ่งคนออกเป็นสองประเภทเช่นนี้ ทำให้สมพานได้รับความสะดวกในการวินิจฉัยปัญหาต่างๆได้หลายอย่างจนติดเป็นนิสัยเห็นใครเข้าสมพานก็จะต้องกำหนดเสี้ยว่าคนนั้นเป็นฝ่ายอนาจักรหรือเป็นฝ่ายพุทธจักรกานันอนาจักรเจิม คือกำนันเจอมีเป็นฝ่ายอาณาจรรักรกานันเจอม์พายเรือมาผูกไว้ที่กระไดท่านน้าแล้วก็ใต่กระไดขึ้นมาหนังบนสะราท่านน้ำยกมือไหว้สมพานแล้วก็หอบด้วยความเหนื่อยที่พายเรือมาไกลสมพานกลางท่านก็ถามขึ้นก่อนบักท่านกำนันไปไหนมา กำนันยกมือไหว้คนหนึ่งแล้วก็ตอบว่าผมมาจากบ้านครับสมพานกลางก็ถามเรื่อยๆไปว่ามีอะไรหรือกำนันหรือว่าจะมาคุยกันเล่นกำนันก็ตอบว่าก็ทั้งสองอย่างแหละครับอันที่จริงผมก็ตั้งใจจะมาคุยกับท่านสมพานเรื่องธุระนี่แหละ สมพานกร่างก็ตอบอย่างคนคุ้นเคยกันว่าเอาว่าไปซี่กัมนา น, นคุยกันนานเท่าไหรก็ได้ฉันไม่มีทุราปก ป, ปังอะไรกันานก็พูดขึ้นลอยๆว่าท่านรู้จักไอตัวอะไรนั่นไหมครับสมพานก็ย้อนถามยังไม่เข้าใจว่าเออไอตัวอะไร กำมันก็พูดว่าเออไอตัวนิดๆหน่อยๆ อ, อะไรนั่นแหละครับอืเอมันติดริมฟิ ป, ปากอยู่เมือตะ ก, กี้นี่เองอมอนๆนึกออกแล้วไอตัวคอมมูนนต้ที่หลวงท่านสั่งให้ต่อต้านน่ะปะไรท่านว่ามันร้ายนักเชียวพอมันมาถึงเนี่ยไร่านามันก็ริบหมดวัดวาอารามก็เลิก แล้วก็โอ่ยอะไรตัวไรอีกตั้งเพลเรเชียวสมพานก็ตอบเรียบๆว่าฉันเคยอ่านหนังสือพิมพ์จากกรุงเทพก็พอได้รู้เห็นอยู่บ้างทำไมกัมมันกัมมันก็ตอบว่าถ้าแรกผมก็ไม่ทำไมหรอกครับเพราะนึนกว่ามันยังอยู่ห่างไกลแต่เดี๋ยวนี้ ทางอำเภอท่านกระซิบบอกผมว่าในบ้านนี้ก็มีคนน่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นเอกตัวนิดๆ น, นั่นผมก็หนักใจดูท่ามันจะไม่เข้าท่าเข้าทีสมพานก็ถามยังไม่เชื่อหูที่ว่หฮะในบ้านนี้เหรอมีคอมมูนิตกรรมันก็ตอบว่าก็ ก็ทางอำเภอท่านว่าของท่านอย่างนั้นนี่ครับและกำมันก็สายมาสมภารกล่างก็พูดอย่างสงสัยว่าเอใครกันกำมันฉันยังมองไม่เห็นเลยกำมันก็พูดว่าก็ก็ไอ้หมอนนั่นแหละครับที่เคยเป็นเพื่อนวิ่งเร่นมากับพันแต่ยังเล็กๆ่ะ เจ้าแควนไงล่ะครับเจ้าแควนนะสมพานกลางได้ยินชื่อในแควนแล้วคนนั่งตกตะลึงอยู่จริง หมูน้เจ้าแก่นหรือแก่นแก่นกำจรมีอะไรที่แปลกไปมากอยู่เหมือนกันกระบวนเด็กๆในบางนี้ไม่เคยมีใครจะเป็นเพื่อนเร่นสนิทสนมกันเกินไปกว่าเจ้ากลางกับเจ้าแก่นจนโตแล้วความสนิทสนมนั้นก็ไม่ได้จืดจางไปแก่น อายุรุ่นราวคราวเดียวกับสมพานกลางนี่แหละถึงเมื่อเด็กๆจะซุกซนแต่ก็มีนิสัยรักเรียนชอบอ่านหนังสือชอบหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอนอกจากนั้นเจ้าแก่นยังชอบเป็นหัวหน้าคนเมื่อยังเป็นเด็กก็เป็นผู้นำของฝูงเด็กรุ่นเดียวกันจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็มีพวกพ้องติดตามเรียกว่าพี่แกว่นอยู่เสมอบัดนี้ถ้าจะดูด้วยสายตาชาวบ้านก็จะต้องเห็นว่าแกว่นเป็นนักเลงใหญ่มีสมุนมากพอตัวและเป็นที่ยำเกรงแก่คนทั่วไปแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าในแกว่นเคยประพฤติการทุจริตคดโกงรังแกใคร จริงอยู่ในแก้นเป็นคนหัวรั้นแต่สำหรับกับสมพานก็ยังคบหากันฐานเพื่อนไม่ได้มีอริบาทหมาง ก, กันทั้งที่พอคุยกันเข้าในแก้นและสมพานกลางจะต้องมีเรื่องขัดกันในทางความเห็นเสมอแต่เมื่อเป็นเพื่อนกันก็อาภัยให้กันตลอดมาสมพานกลาง นึกถึงในแกว่นแล้วก็จายหายหมูนี้ในแกว่นดูจะมีลัทธิแปลกแปลกมีความเห็นใหม่ๆและมีคําพูดชกโกนฉบกนฟังดูเหมือนเหมือนหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ซื้อมาอ่านกันจากกรุงเทพบางวันในแกว่นก็จะมานั่งที่กุฏิแล้วก็คบกรามกรอดกรอด คิดอะไรอยู่คนเดียวบางครั้งแหวนก็จะคุยด้วยความคิดเห็นที่สมพานไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนครั้งสุดท้ายที่แหวนมาหาท่านก็เมื่อวันซืนเนี่ยเขาเดินลงจากกุฏิไปพร้อมกับคําพูดกับสมพานว่าสหายเอ้ยปราบใดที่ยังมีลมหายใจมีหยาดเหงื่อมีแรงงาน แผ่นดินนี้จะต้องเป็นของเราสักวันหนึ่งจริงนะสหายเมื่อเงาของคนเล็กๆอย่างเราทอดยาวออกไปตามพื้นดินเมื่อนั้นก็แสดงว่าตะวันเริ่มจะตกลงแล้วเราต้องไม่แพ้เราต้องมีความหวังนี่คือคำพูดของในแกวนที่พูดกับท่านสมพานกลาง ก่อนที่จะเดินลงจากกุฏิไปพูดแล้วในแควนก็เดินลงบันไดกุฏิไปไม่รอฟังคำถามของสมพานอรอกที่ว่าแควนเป็นอะไรไปเมื่อตอนแรกมาหาก็ยังดูดีๆอยู่คุยๆกันไปไงพูดเหมือนคนเมางั้นน่ะแต่แควนไม่รอฟังคำถามคำตอบคำพูดของสมพานหรอกแควน รงบันไดกุติไปแล้วสมพานย้อนคิดถึงเรื่องราวนี้แล้วก็หนักใจหรือว่าบางทีอาการประหลาดต่างๆของแก่นในหมู่นี้จะเป็นอาการของลัท ธ, ธิซึ่งสมพานเองก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ปากนั่นก็พูดกับกำนันต่อไปว่า เอพูดไปก็บาปกรรมนะกานันฉันเห็นเขาดีๆอยู่ไม่เห็นเขาทำอะไรผิดบาปที่ใช่ว่าได้กำนันก็พูดว่าไอ้ผิดนะ่มันไม่ผิดหรอกครับแต่ผมสังเกตดูเจ้าแก่นและพวกเดี๋ยวนี้มันมีอะไรขัดขัดขืนขืนอยู่ชอโกลสั่งเสียอะไรกันเดี๋ยวนี้มันต้องมีขัดคอมีสักมีถาม บางทีมันก็ไม่ทำเอาเลยขำลง้งจาแก่นก็ชวนพวกไปที่บ้านคุยกันดึกดดื่นดืนทุกคืนไม่รู้ว่ามันคุยเรื่องอะไรของมันสมภารก็ถามอย่างงงงงเพราะยังคิดอะไรไม่ถูกอ่ะท่านก็ถามว่าแล้วกำมันเชชันทาอย่างไรกำมันก็ตอบว่าผมเห็นท่านกับ จกแหวนเป็นเพื่อนฝูงสนิทกันขอขอมาเถอะครับท่านมันก็ตอบอาผมเห็นท่านกับจกแขวนเป็นเพื่อนฝูงสนิทกันขอขอมาเถอะครับท่าน เมื่อท่านยังอยู่นอกผาเหลืองก็เคยเป็นหัวโจกด้วยกันมาผมก็อยากให้ท่านห้ำห้ามมันซะบ้างอย่าให้มีเรื่องมีราวท่านสมพานก็จริงว่าเออฉันจะไปห้ามเขาได้อย่งางไรกัมมันฉันเป็นพระไม่เห็นจะเกี่ยวกัมมันก็พูดอย่างเห็นใจว่าก็ถึงว่าเจครับ ผมบอกกับเจ้านายที่อำเภอท่านแล้วเชียวว่าท่านเป็นพระเป็นเจ้าจะมาเกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่เจ้านายที่อำเภอเขากลับบอกว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจะต้องใช้ต่อต้านคอมมูนิสต์ก็จะต้องใช้กันให้หมดไม่ว่าพระวัดสงก็ต้องขอแรงกันทั้งนั้นกำนันพูดดังนี้สมพานกลาง เห็นว่าจะพูดต่อไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ก็าจึงออมอ้ อ, อมแอมแอมตอบไปว่าเอาเถอะกำ ม, มันแล้วฉันจะคิดดูกร ม, มันเจิมนั่งคุยเรื่องอื่นๆต่อไปสักครู่แล้วก็ลากลับพอกร ม, มันพายเรือหายรับตาไปแล้ว สมพานก็ลุกจากท่าน้ำเดินช้าๆมุ่งไปยังโบสถ์ในใจนั้นรู้สึกวิตกและกังวลไม่น้อยเลยเพราะในแว่นเป็นผู้ที่อยู่ในคายแห่งความเมตตาของสมพานกลางเป็นพิเศษเมื่อได้ทราบวัดทางอนาจักร จ้องมองในแกว่นในลักษณะที่ไม่เป็นมงคล น, นักสมพานก็ให้รู้สึกไม่สบายใจตามปกติเมื่อมีความวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นสมพานกลางมักจะเข้าไปจุดธูปเทียนที่หน้าพระประธานในโบสถ์แล้วบางทีก็สวดมนต์บางทีก็นั่งเงียบๆอยู่คนเดียว เพราะในโบทนั้นเป็นที่สงัดวันนั้นท่านสมพานก็ตั้งใจว่าจะทําเช่นเดียวกันพอเข้าไปถึงในโบทสมพานก็ปิดประตูลั่นดานเสียเพราะอยากอยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครมากวนครั้นแล้วก็จุดเทียนหน้าพระ หลายดวงและจุดถูกปักบูชาพระอีกกำมือหนึง่งแล้วก็ลงกราบพระและก็นั่งมองพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์วัดไผ่แดงท่งทานสมพานกรา เป็นพระที่ไม่มีความรู้ในทางโบราณวัตถุหรอกแต่ท่านก็รู้ว่าพระพุทธรูปองนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณมากพระประธานวัดไผ่แดงนี่เป็นพระสรัมฤทธิบริสุทธิ์องค์ท่านก็ขนาดเท่าคนนี่แหละสมพานกลางเคยได้ยินคนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นบางนี้ ยังไม่มีหมู่บ้านและยังไม่มีวัดมีคนแก่ปลูกเรือนอยู่ริมคลองหลังเดียววันหนึ่งหลวงพ่อพระประธานเนี่ยก็ลอยน้ามาติดอยู่ริมตาลิงคนแก่นั้นพบเข่าก็ไปตามชาวบ้านจากบางอื่นมาช่วยกันยกท่านขึ้นต่างไว้บนฝั่ง เป็นที่สั ก, การะของคนจิตสัญจรไปมาจนในที่สุดที่ที่หลวงพ่อตั้งอยู่เนี่ยก็กลายเป็นวัดและบ้านภายแดงก็มีคนมาปลูกบ้านสร้างเรือนอยู่กันเป็นหมู่จนทุกวันนี้สุมพานกล่างนั่งมองหน้าหลวงพ่ออยู่นานแสงเทียนจับอง์พระ ให้แรดูงามนะักจัยนั้นก็นึกว่าถักปีหน้าข้าวกล้า น, านาดำในบางนี้งอกงามดีก็จะบอกบุญชาวบ้านปิดทองรุงพ่อเสื้อใหม่ให่งดงามขึ้นไปอีกขณะที่จยนึกอยู่นั้นตาก็มองอยู่ที่หน้าลุงพ่อแล้วสมพานกลางก็เห็นกับตาว่าลุงพ่อท่านยิ้มด้วย สมพานกลางขนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่แล้วก็ข่มใจไว้ได้วยเหตุผลเพราะแสงเทียนที่เคลื่อนไหวนั้นอาจจะทำให้ตาฝาดไปก็ได้แต่จิตใจสมพานยังไม่ทันใจสงบดีเสียงหลวงพ่อพระประธานนะก็พูดออกมาว่าสมพาน มีทุกร้อนอะไรหรือวันนี้ดูหน้าไม่สบายเสียงดังออกมาอย่างนั้นใจหนึ่งสมพานกลางอยากจะวิ่งหนีแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่เชื่อหูสมพานกลางเหลียวเลืกๆลักเั ก, ก, ก, ก, ก, ก, กดูในโบท ร, บรอบๆก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาแอบแฝงอยู่ได้เพราะโบสถ์วัดไัยแดงนี่เป็นโบสถ์เล็กๆ ไม่มีที่จะแอบเจ้าแฝงหรอกท่านใดนั้นก็มีเสียงดังออกมาจากพระประธานอีกว่าอย่าตกใจไปเลยฉันอยากจะคุยกับสมพานมานานแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาและโอกาสสมพานกลางก็ระร่ำระรักทีเดียวว่าหลวงพ่อหลวงพ่อครับสมพานกลางพูดได้เท่านี้ ในใจก็นึกถึงผลของการปฏิหารครั้งนี้ชาวบ้านจะแตกตื่นกันสักเพียงไรคนจะมานมัส ก, การกันสักแค่ไหนและสภาพวัดพายแดงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นวัดที่ใหญ่เป็นวัดที่สำคัญแต่ทันใดนั้นเสียงหลวงพ่อก็พูดสอดขึ้นมา ในความคิดสมพานกลางทันทีว่าฉันพูดกับสมพานแล้วนี่สมพานอย่าไปบอกกับใครนะเขาหาว่าสมพานโกหกนี่ฉันไม่รู้ด้วยนะตอนหน้าคนอื่นฉันไม่พูดหรอกไม่เชื่อคอยดูไปสิสมพานกลาง โค้มลงกราพระประธานอีกสาหนและคุกข่าวประนมมือพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อเป็นใครมาจากไหนผมรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปนานนักหนานแล้วผมผมก็เลยไม่เข้าใจหลวงพ่อพระประธานวระเบาๆแล้วก็ตอบว่าเออนั่นน่ะสีสมพาน พระพุทธเจ้าท่า น, นิพพานไปนานแล้วแต่ท่านสอนไว้ว่าให้คนรู้จักผิดรู้จักชอบบางทีคนเรานั่งอยู่ในที่สงัดคนเดียวอาจได้ยินเสียงความรู้สึกผิดชอบของตัวเองก็ได้สมภาร เ้าสิบเจ็ดถึงเก้าสิบเก้าสี่แยกวุกษะศักดิ์หลังโรงเรียนในร้อยะจรอกเป็นสถานที่จำหน่ายนักือธรรมทุกชนิดเพชรธรรมะมากมายแลเทพมหาชาติเรื่องกฎแห่งกรรมโดยพระครูสังกัรตบุญเรือปัญญาเปรโสรสมืินสมบูรณ์ดาวชาดกแลเทพมหชาติเวทสังดนชาดกแล่ําควัญหน้าโดยสมนินสมบูรณ์ดาวชาดกแหล่ทำควันหน้ า, า, ดดนาโดยน้ําพุ่งเพชรอุไทยเพชรธรรมะจากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะ เท็ธรรมะภาษาจีนแต่จิ๋วบรรยายเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วโดยในแพทย์ตันหมอดเซียงพร้อมด้วยเท็คธรรมะจากพระอาจารย์ต่างๆอีกมากมายเท็คธรรมะสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระเถรัผู้ใหญ่ครบชุดณที่ร้านธรรมะเจริญเลขที่๙๗๙๙สี่แยกจุกระสัดถนนประชาธิปไตยรังโรงเรียนในร้อยจอบรอดโทรศัพท์ติดต่อสอบถามโดยที่๒๘๑๑๕๓๕๒๘๒ เ จ, จ <ะ S 1> ็ดก้าหศูนย์ครับครับับับ